ชีวิตของพวกเรามีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่สององค์ประกอบด้วยกันคือร่างกายกับจิตใจร่างกายนี้เป็นของปลอมส่วนจิตใจนี้เป็นของจริงร่างกายนี้อยู่ กับเราไม่นานก็ต้องจากเราไปเปลี่ยนสภาพไปจากร่างกายที่มีอาการสามสิบสองก็จะกลายเป็นคี้เท่าเป็นเศษกระดูกไปจึงถือว่าไม่ใช่เป็นของจริงเพราะว่าไม่ได้อยู่กับเราได้ไปตลอดส่วนจิตใจ คือผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดเป็นของจริงเป็นของที่เราพึ่งพาอาศัยได้อย่างแท้จริงส่วนร่างกายนี้เราพึ่งพาอาศัยได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น พระพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบความจริงอันนี้จึงได้ปล่อยวางร่างกายไม่ยึดไม่ติดร่างกายไม่พึ่งร่างกายเป็นสารณะแต่กลับมาพึ่งที่ใจพึ่งใจเป็นสารณะ มาหาความสุขที่มีอยู่ในใจแทนที่จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะเป็นความสุขปลอมนั่นเองเป็นความสุขที่มีอยู่ได้เพราะมีร่างกายอยู่พอไม่มีร่างกายแล้วความสุขนั้นก็จะหายไป ความทุกข์ก็จะมาแทนที่พระพุทธเจ้าจึงทรงปล่อยวางร่างกายแล้วก็ยึดติดอยู่กับใจหาความสุขจากใจซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่ถาวร เพราะใจเป็นสิ่งที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปการปฏิบัติทมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เพื่อเป็นการปล่อยวางร่างกายและปล่อยวางสิ่งต่างๆที่หามาได้โดยร่างกายเช่นลาบยศสรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วในวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญ ส, สุขไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะ ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะเรายังขาดร่างกายไม่ได้เรายังต้องพึ่งร่างกายเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกเราเลยต้องกลับมาเกิดใหม่อีกกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกและก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ถ้าเรามีบาปที่ต้องใช้เราก็ต้องไปเกิดในอบายก่อนไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างหลังจากที่เราใช้บาปหมดแล้วเราถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็มาดิ้นรนต่อสู้หาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราใหม่แล้วก็ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเช่นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไปอีก มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเราไปหลงยึดติดกับร่างกายเป็นสารณะเป็นที่พึ่งนั่นเองถ้าเราไม่อยากที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกเรื่อยๆเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า ผู้ที่ส่งคนพบความจริงว่าที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราก็คือใจถ้าเราใช้ใจเป็นเครื่องอำนวยความสุขให้กับเราเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือ เมื่อเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่นี่คือประเด็นที่พวกเราไม่รู้กันมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงค้นพบสัจ ธ, ธรรมความจรงิงอันนี้แล้วสามารถทำให้พระองค์นั้น ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะพระองค์ได้ละได้ปล่อยวางร่างกายไม่พึ่งพาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้แล้วทรงใช้ใจเป็นเครื่องมือหาความสุข แล้วก็ส่งได้นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้กันผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้น และได้พบความสุขที่แท้จริงที่ถาวลที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ที่ความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือในพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ มีความรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าผู้ที่ทำหน้าที่นำเอาความจริงของร่างกายและจิตใจนี้มาสั่งมาสอนต่อจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จ ด, ดับขันธ์ท้าพานิพานไปแล้วก็มีพระอาลหลันตสาวกผู้ที่รู้ความจริงของร่างกายกับจิตใจนี้ เป็นผู้นำเอาความจริงนี้มาบอกพวกเราเป็นทอดๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าท่านเหล่านี้ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเป็นความจริงร้อยเอร์ซสามารถยังประโยชน์ให้ผู้ปฏิบัติตามได้ร้อยเซ คือสามารถทาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ร้อยเปอร์เซ็นสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่เรียกว่าบรมาสุขได้อย่างร้อยเปรเซ็นคือการบรรลุถึงพระนิพพานอันนี้ เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสร้นความจริงอันนี้พวกเรานี้จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าตัวจริงของพวกเรานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตัวจริงของพวกเรานี้เรามองไม่เห็นกันนั่นเอง ใจนี้เป็นนามธรรมไม่ได้เป็นรูปธรรมเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของพวกเราเราก็เลยไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเรามองไม่เห็นใจที่เป็นนามธรรมเ คนที่จะเห็นใจได้นี้ต้องเป็นคนที่มีตาในหรือเปิดตาในพวกเราทุกคนมีตาในกันแต่เราไม่เปิดตาในเราเปิดแต่ตานอกคือตาร่างกายเราจึงเห็นส่วนของร่างกายแต่เราไม่เห็นส่วนของจิตใจ เราก็เลยคิดว่าชีวิตของเรานี้มีเพียงร่างกายเพียงอย่างเดียวและเราก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราที่เราใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหาความสุขต่างๆให้กับเราแต่เราลืมไปว่าร่างกายของเรานี้มันเป็นของชั่วคราว เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งๆที่พวกเราก็เห็นความแก่ความเจ็บความตายของผู้อื่นแต่เราไม่ยอมนำเอามาคิดให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเราพยายามที่จะไม่คิดถึงมันไม่อยากคิดถึงมันเพราะเวลาเราคิดถึงมันแล้วมันทำให้เราไม่สบายใจกัน พอเราไม่คิดถึงมันเราก็เลยหลงไปดื่มไปว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปเราก็เลยไม่คิดที่จะหาความจริงของตัวเราว่าแล้วตัวเราจริงๆนั้นมันอยู่ที่ไหนมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นคนที่ช่างคิดช่างถามตัวเอง พอทรงเห็นว่าร่างกายของพระ อ, องค์จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปพระ อ, องค์ก็อยากจะรู้ว่าอะไรทำให้พระ อ, องค์มาเกิดแล้วมีอะไรไหมที่ทำให้พระ อ, องค์นี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกพระ อ, องค์ก็เลยต้องสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวช เพราะเชื่อว่าพวกนักบวชนี่เป็นผู้ที่สามารถที่จะค้นหาความจริงของชีวิตได้ว่าตัวจริงที่แท้จริงของพวกเรานั้นอยู่ที่ไหนกันในเมื่อร่างกายที่เรามีกันอยู่นี้มันอยู่ไม่ได้ไปตลอดสักวันหนึ่งมันต้อง เสื่อมสลายกลับคืนสู่สภาพเดิมสภาพเดิมของร่างกายก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วเวลาที่มันสูญไปสลายไปแล้วตัวเราหายไปกับมันหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการคำตอบ จึงได้ทรงสละพระราชสมบัติเพราะว่าถ้าอยู่เป็นเจ้าชายอยู่ในราชวังก็จะไม่มีเวลาที่จะได้ศึกษาค้นคว้าหาความจริงได้อย่างเต็มที่เพราะภา ร, รกิจหน้าที่ของราชโอรสหรือของผู้ครองเรือนทั้งหลายนั้นมีหน้าที่มากมายกายกองที่จะต้องคอยทํากัน ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาค้นคว้ามาหาสัจธรรมความจริงกันว่าตัวเราที่แท้จริงนั้นคือใครกันแน่และความสุขที่แท้จริงของพวกเรานั้นอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะพ อ, องค์ทรงเห็นแล้วว่าไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนี้อย่างแน่นอนเพราะร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้อง แก่ลงไปต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้หลังจากที่ได้ทรงออกบทได้ทรงปฏิบัติธทำที่เรียกว่าจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลําดับพระองค์ก็ได้ทรงค้นพบสัจตธรรมความจริง ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องมือชั่วคราวสิ่งที่อยู่ต่อหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็คือจิตใจจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็ไม่ได้ตายไปตามร่างกายความสุข ความทุกข์ที่ได้ผ่านทางร่างกายนี้พอร่างกายตายไปมันก็หมดไปแต่ความทุกข์ของใจที่ไปพึ่งร่างกายนี้มันไม่หมดเพราะความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายมันไม่ได้หมดไปกับความตายของร่างกายมันก็เลยต้องไปเกิดใหม่ พอเกิดใหม่แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อย่างที่พวกเรากำลังเผชิญกันในในชาตินี้ร่างกายของพวกเราก็จะแก่ลงไปตามลำดับแล้วก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะต้องตายไปในไม่มีใครยับยัง้งไม่มีใครห้ามได้เพราะเป็น กระบวนการของร่างกายเขาเขามาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเขามีการเจริญเติบโตแล้วพอเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วเขาก็เริ่มมีการเสื่อมลงไปเวลาเสื่อมเราก็เรียกว่าชราแล้วก็เวลาชราก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาจนในที่สุด เมื่อไม่สามารถตั้งอยู่ได้ก็เกิดความตายตามมาความตายก็คือการแยกส่วนประกอบของร่างกายกับเคืนสู่ที่เดิมของเขานั่นเองก็คือธาตุทั้งสี่ธาตุที่มาจากน้ําก็จะกลับคืนสู่น้ําไปธาตุที่มาจากดินก็กลับคืนสู่ดินธาตุที่มาจากลมก็กลับคืนสู่ลม ที่มาจากไฟก็กลับคืนสู่ไฟไปนั่งกายก็จะอันตรธานหายไปตัวเราที่มีชื่อว่านายกนายขอมีฐานันดรมีฐานะอะไรต่างๆทั้งหมดนี้มันก็จะหายไปหมดคนที่เกิดมาแ ล, แล้วตายไปจากโลกนี้มีจำนวนมากมาย สภาพที่เขาเคยมีอยู่เป็นอยู่ฐานันดรฐานะของเขาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเขาอันตรธานหายไปหมดกลายเป็นของคนอื่นไปนี่คือความจริงที่พวกเราต้องศึกษาเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไปยึดติดกับร่างกายแล้วเพื่อที่พวกเราจะได้ เข้ามาหาของจริงของแท้มาหาความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนการที่จะหาความสุขภายในใจของพวกเราเราต้องกลับเข้ามาข้างในใจตอนนี้เราออกไปข้างนอกเราไปที่ร่างกายกันเพราะเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หาความสุขต่างๆให้กับเราเราใช้น่างกายคือตาหูจมูกเิ้นกายไว้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิพธภันี่คือการหาความสุขปลอมกันเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไม่สามารถหามันได้บางครั้งก็เกิดจากการที่ไม่มี ปัจจัยเช่นเงินทองอยากจะไปเที่ยวก็ไม่มีเงินไปเที่ยวก็จะไม่สามารถหาความสุขได้หรือเกิดจากอาการไม่สบายของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ความสุขทางร่างกายจึงเป็นความสุขที่ลุ่มๆ ด, ดอนๆ ขึ้นๆลงๆแล้วหนที่สุดมันก็ต้องหมดไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจึงต้องหยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกายกันแล้วเข้าหาความสุขผ่านทางจิตใจความสุขผ่านทางจิตใจนี้หาได้ด้วยการทําใจให้สงบ ควบคุมความคิดต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หยุดคิดให้ได้ความคิดของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งอยู่ถ้าเราต้องการหยุดรถยนต์เราก็ต้องมีเบรกหยุดรถยนต์เราถึงจะสามารถหยุดรถยนต์ได้ตามที่เราต้องการชั้นในใจของเราก็มีเบรกเหมือนกันแต่ตอนนี้เราไม่รู้จักใช้เบรกของใจกัน เรารู้จักใช้แต่คันเร่งของใจคันเร่งของใจก็คือความอยากต่างๆนี่อยากได้นูน่นอยากได้นี่เราก็จะเร่งให้ใจพุ่งไปหาสิ่งที่เราอยากได้กันทําให้ใจเรานี่บางครั้งร้อนร้อ น, ร, อนรนกรวลกวายด้วยความอยากแทนที่จะมีความสุขจากการาได้สิ่งที่เราอยากได้ เรากลับได้ความร้อนรนกวนกวายความทุกข์ให้กับใจโดยที่เราไม่รู้สึกตัวความสุขที่เราได้จากสิ่งที่เราอยากได้นั้นได้มาเดียวเดียวแป๊บเดียวดีใจเดียวเดียวแล้วมันก็หายไปแล้วก็มีความกาังวนกาวายมาแทนที่กวนกาวายเพราะว่า กังวลว่าจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่กังวลกวายว่ามันจะเปลี่ยนไปจากดีเป็นกลายเป็นของไม่ดีไปกังวลกรงวาย ว, ว่ามันจะหายไปจากเราไปเมื่อไหร่แล้วเวลาหายไปจากเราไปเราก็กังวลกังวายเศร้าโศกเสียใจออันนี้เป็นกระบวนการของความหลงของพวกเรา ที่ไปหลงหาความสุขจากทางร่างกายกันเราต้องย้อนกลับเข้ามาหาความสุขภายในใจของเราเราจึงต้องหยุดการหาความสุขภายนอกเพราะเราไม่สามารถที่จะหาความสุขทั้งสองส่วนได้พร้อมๆกันถ้าจะเอาความสุขภายนอกก็จะไม่ได้ความสุขภายในถ้า ต้องการความสุขภายในก็จะไม่ได้ความสุขภายนอกเหมือนกับการอยู่บ้านกับการออกนอกบ้านถ้าเราออกถ้าเราอยากจะความสุขข้างนอกบ้านเราก็ต้องออกไปข้างนอกบ้านความสุขภายในบ้านเราก็ไม่สามารถมีได้ถ้าเราต้องการความสุขภายในบ้านเราก็ออกนอกออกไปนอกบ้านไม่ได้ฉันใด ความสุขใจก็เป็นความสุขภายในส่วนความสุขของร่างกายนี้เป็นความสุขภายนอกต่างกันตรงที่ว่าความสุขภายนอกนี้เป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่มีความทุกซ่อนอยู่ความสุขที่เหมือนกับยาขมเคลือบน้ําตาลความสุขภายนอกนี้มันเคลือบความทุกภายนอกอยู่เวลา ความสุขภายนอกจางหายไปความทุกข์ก็จะ ต, ตามมาเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่เรารักไปความสุขที่เราได้จากบุคคลหรือสิ่งที่เรารักก็หมดไปสิ่งที่มาแทนที่ก็คือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจแต่ถ้าเราเข้ามาหาความสุขภายในใจนี้ ความสุขที่เกิดจากการหยุดใจไม่ให้คิดปรุงแต่งทำใจให้สงบให้นิ่งให้รวมเป็นหนึ่งให้สักแต่ว่ารู้ใจก็จะผลิตความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ความสุขที่ปราศจากความทุกข์และเป็นความสุขที่เราสามารถ ควบคุมรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุข น, นี้มาแล้วเราจะสามารถสร้างความสุข น, นี้ไปได้เรื่อยๆวิธีก็ง่ายๆคือหยุดความคิดปรุงแต่งท่นั้นเองการหยุดความคิดปรุงแต่งนี้ก็จะหยุดตันหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความร้อนอกร้อนใจความทุกข์ใจความกังวลกวาใจต่างๆ ให้เกิดขึ้นมาพอเราหยุดความคิดได้ความอยากต่างๆก็ต้องหยุดตามความคิดไปความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมดจะเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวภายในใจนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะมีศรัทธามีความเชื่อ เพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ได้ทรงพิสูจน์ด้วยพระองค์เองแล้วเมื่อก่อนนี้พระองค์ก็ทรงอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือสมัยที่ยังเป็นพระราชโอรสทรงมีความสุขทุกรูปแบบที่มนุษย์เราจะสรรหามาได้มีประสาทสามฤ ด, ดูมีมีนางสนมกำนันมีบริสัทธบริวารมี เครื่องบำรุงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทุกรูปแบบทุกชนิดแต่ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวจึงเป็นเหมือนของปลอมเพราะว่าในที่สุดมันก็จะหมดไปจางหายไปหมดเหมือนควันไฟเหมือนกับไม่ไม่เคยมีมาก่อนเลยความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายนี้มีมากน้อยเพียงไร พอมันผ่านไปแล้วนี่มันหายไปหมดเลยเหมือนกับมันไม่มีไม่เคยมีมาก่อนมันไม่มีหลงเหลือติดอยู่ภายในใจของพวกเราเลยพวกเราจึงต้องคอยสรรหาอยู่เรื่อยๆสรรหากันทุกวันทุกคืนมีเวลาว่าเมื่อไหร่ก็จะสรรหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันเสมอมีเวลาที่เราไม่สรรหาก็คือเวลาที่เราต้อง ทำมาหากินหาไรายได้เพื่อเราจะได้เอาอไรายได้นี้มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันและเวลาที่เราพักผ่อนหลับนอนเท่านั้นที่เราจะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนอกจากนั้นแล้วเป็นเวลาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะมันเป็นเหมือนกับลมหายใจของพวกเราเวลาใดที่เราขาดรูปเสียงกลิ่นรส มาให้ความสุขก็เหมือนกับเราขาดลมหายใจเราจึงต้องมีของรับประทานของดื่มอยู่ใกล้มืออยู่ตลอดเวลาอขาดไม่ได้เคยดื่มเคยรับประทานอะไรนี้จะต้องมีไว้อยู่ตลอดเวลาชอบดูอะไรชอบฟังอะไรจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาแต่มีเท่าไหร่มันก็ไม่เคยทําให้เราเกิดคำว่าพอเลยไม่เคยเกิดคําว่าอิ่มเลยะ ดังนั้นการหาความสุขแบบนี้จึงเป็นการหาของปอมกันหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปทันทีต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่หาแต่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็ดึงให้เราไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปหาไปใช้ร่างกายอันใหม่หาความสุขต่อ แล้วเราก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บของร่างกายใหม่อีกเราทำอย่างนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วมากมายกายกองพรองทรส่งให้เราใช้ตัวอย่างของการคำนวณดูว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันกีน่ครั้งก็ให้เราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวบรวมกัน ท่านบอกว่ามันจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรอีกนี่คือปริมาณของน้ําตาที่พวกเราได้หลั่งกันมาจากการที่จะต้องมาพบกับความทุกข์ต่างๆของการได้มาเกิดแก่เจ็บตายกันและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าเราจะยุติการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขและเราจะ ยุติได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเรายุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายกันแล้วให้มาหาความสุขผ่านทางจิตใจกันด้วยการสร้างสติคือเบรกของใจ ตอนนี้เราไม่มีเบรกเราต้องผลิตเบรกกันขึ้นมาการผลิตเบรกก็มีวิธีง่ายๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนพวกเราให้ทํากันก็คือให้เราลึกถึงพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเวลาวันวันหนึ่งนี้อย่าไปคิดอะไรถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดนอกจากการคิดเรื่องภารกิจการงานต่างๆ หรือในขณะที่เรากำลังทำงานอยู่เราต้องใช้ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการงานช่วงนั้นเราก็ไม่ต้องราลึกถึงพุทธโธแต่เวลาที่เราไม่ต้องคิดแต่เรากลับไปคิดคิดแล้วก็เกิดความวิตกกังวลเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเราควรที่จะใช้สติหยุดเหมือนใช้การระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือพุทโธพุทโธพุทโธหยุดมันถ้าเราแลลึกถึงพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้เมื่อไม่คิดถึงเรื่องต่างๆความวุ่นวายใจความกังวลกระวายใจต่างๆก็จะหายไปแล้วถ้าเราไม่ต้องทำภากรกิจการงานอะไรเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตา เราก็จะสามารถดึงใจของเราให้ออกจากร่างกายได้ถ้าร่างกายยังมีการกระทำอยู่นี้ใจเป็นผู้ที่คอยควบคุมร่างกายใจก็ยังไม่สามารถปล่อยร่างกายได้ถ้าอยากจะปล่อยร่างกายแล้วเข้าไปสู่ใจอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าการรวมจิตรวมใจเราจะต้องนั่งเฉยๆปล่อยให้ร่างกายนี้อยู่ ของเขาไปตามลำพังแต่ถ้าร่างกายยังเดินไปเดินมายังทำนู่นทำนี่อยู่นี้ใจต้องเป็นผู้ประครับประคองคอยคอยคอยดูคอยควบคุมอยู่ใจก็จะไม่สามารถปล่อยร่างกายได้แต่ถ้าเรามานั่งเอาร่างกายมานั่งนิ่งๆเฉยๆนั่งหลับตาแล้วเราก็ระลึกถึงพุทโธพุทโธไปนี้ ใจจะสามารถปล่อยร่างกายได้อย่างเต็มที่ใจก็จะแยกออกจากร่างกายเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เข้าสู่ความสุขของใจความสุขของใจก็คือความสงบนี้เองพอใจสงบแล้วก็จะพบกับความสุขอันนี้แล้วจะรู้ว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้ว เรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเวลาใจเรานั่งใจเราสงบเวลาที่เรานั่งสมาธิเราไม่ได้ใช้ร่างกายทําอะไรแล้วปล่อยให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยเป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นเหมือนพระพุทธรูปอย่างนี้นั่งขัดสมาธิแบบปางพระพุทธรูปไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้ร่างกายหาความสุขไม่ได้ใช้ตาหูจมูกเล่นกายหาความสุข แต่กับมีความสุขมากกว่าการใช้ร่างกายหาความสุขสีเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือการปล่อยวางร่างกายเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ความสุขของใจเราจะเอาความสุขของร่างกายไปกับควบคู่ไปกับความสุขของใจไม่ได้ผู้ที่ต้องการความสุขของใจ จึงต้องยุติการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือต้องไปหาที่สงบที่ห่างไกลจากสิ่งที่ใจเคยอาศัยให้ความสุขคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้แล้วมันอดไม่ได้เหมือนคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรีน่นี้ต้องไปอยู่ที่ไม่มีบุหรี่สูบถ้าไม่มีบุหรี่สูบมันก็สูบไม่ได้ มันก็จะทนทุกข์ไปชื่อระยะหนึ่งช่วเวลาที่อยากแล้วไม่มีบุรีให้สูบแต่พอไม่ได้สูบไปสักระยะหนึ่งความอยากนั้นก็จะหมดไปในที่สุดแต่ถ้ายังอยู่ใกล้บุรีอยู่เดี๋ยวมันอดไม่ได้พออยากมากๆาทุกข์มา ก, กมากเดี๋ยวเดินไปหาบุรีมาสูบเจอก้นบุรีก็ยังดีกว่าไม่มีบางคนหาบุรีมวนใหม่ไม่ได้เห็นก้นบุรีก็เอาก้นบุรีมาสูบ ก, ก่อน เพราะความอยากมันทาให้ใจในี้ทุกข์ทรมานจะต้องสูบถึงจะได้คลายความทุกข์ทรมานอันนั้นผู้ที่ต้องการยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายจึงต้องไปปริกวิเวกันจึงต้องถือศีลแปดกันเพราะศีลแปนี้ก็เป็นเหมือนกับการปิดทางเข้าออกของการหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายนั่นเอง ผู้ที่ถือศีลแปดนี้ปิดทวารทั้งห้าปิดตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันยังไม่สงบพอต้องใช้สติถึงจะทําให้มันสงบได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าไม่ปิดทวารมันจะยากให้สติที่จะทําให้มันสงบได้เพราะมันจะออกไปไกลมากมันถ้ามันมีช่องออกแล้วไปตามจับมันยากเหมือนกับจับจับลิงนี้ถ้าเรา จับมันขังไว้ในกล่องนี้จะจับมันมามัดนี้มันง่ายแต่ถ้าปล่อยให้มันอยู่นอกกล่องนี้ลองไปวิ่งจับไล่จับมั น, นจับนวิ่งไล่จับมันไม่ทันผู้ที่ที่อยากจะทําใจให้สงบนี้จึงจําเป็นจะต้องอาศัยศีลแปดนี้เป็นเครื่องมือเป็นเหมือนรัว้วเป็นเหมือนหน้าต่างประตูที่จะต้องปิดช่องเข้าออกของ ความอยากทางตาหูจะบุกเิ้นกายพอมันออกแม่งทางตาหูจะบุกเิ้นกายไม่ได้มันก็จะดิ้นอยู่ภายในใจเราก็ใช้สติมาหยุดมันะมันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้พุทโธพุทโธสู้กับมันไปถ้าพุทโธชนะอความดิ้นของใจก็จะหยุดถ้าความถ้าพุทโธสู้ไม่ได้อ ความดิ้นมันก็จะพาให้เราแหกข้อออกไปถือศีลแปดก็จะขอลาศีลแปดถ้าเป็นบวชเป็นพระก็จะขอลาสิกขาไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะต้านกำลังของความอยากทางตาหูจะนุกเล่นกายได้แต่ผู้ที่มีความเพียรพยายามสร้างระลึกสติอยู่เรื่อยๆสร้าง เราลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆก็จะสามารถเอาชนะความอยากต่างๆได้ความอยากเมื่อถูกกำลังของสตินี้ที่มีกำลังมากกว่ามันก็จะทำให้มันหยุดแต่มันหยุดแบบชั่วคราวสตินี้ไม่สามารถที่จะกำจัดทำลายความอยากให้หมดไปได้อย่างถาวร เพราะว่าสตินี้เป็นเหมือนหินทับหญานั่นเองสตินี้ไม่ได้เป็นเหมือนมีดที่จะขุดหญ้าออกขุดรากของหญ้าออกจากดินผู้ที่จะทาหน้าที่ขุดรากของหญ้าออกจากดินนี้คือปัญญารากของตันหาความอยากคืออะไรก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองความเห็นผิดเห็นว่าความสุขทางร่างกายเป็นความสุขที่แท้จริง ก็เลยหลงไปหาความสุขทางนั้นเราต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบความจริงอันนี้เราจะไม่มีปัญญาพอที่จะมาถอดถอนตันหาความอยากต่างๆได้แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ด้วยพระองค์เองแล้วว่าความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นที่แหล่งของความสุขนี้เป็นความเห็นผิดเพราะร่างกายนี้เป็นแหล่งของความทุกข์มากกว่า พวกเราทุกคนนี่ที่ทุกข์กันนี่ถ้าไม่ได้ทุกข์กับร่างกายเราไปทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์กับเรื่องตาตาไม่ดีก็ทุกข์หูไม่ดีก็ทุกข์ร่างกายไม่ดีก็ทุกข์ร่างกายแก่เจ็บตายก็ทุกข์เนี่ยนี่เรามองไม่เห็นกันที่เราพระพุทธเจ้าเป็นผู้มองเห็นแล้วทรงยุติการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ต้องใช้ความรู้อันนี้ของพระพุทธเจ้า เวลาที่เราอยากจะใช้ร่างกายหาความสุขเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นการหาความทุกข์นะไม่ใช่เป็นการหาความสุขการหาความสุขที่แท้จริงก็คือการหาความสงบของใจด้วยการหยุดการกระทำตามความอยากต่างๆด้วยการหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆด้วยการไม่ทำตามความอยากต่างๆ เมื่อเรารู้จักวิธีหยุดความคิดแล้วเราสามารถที่จะไม่ทำตามความอยากแล้วเวลาเกิดความอยากเราก็ใช้ปัญญาของพุทธเจ้านี้มาเตือนเราท่านเองว่าอย่าไปหาความสุขทางร่างกายอย่าไปดื่มสุราอย่าไปสูบบุรีอย่าไปดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆไปรับประทานของอะไรต่างๆถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ดื่มด้วยความจาเป็น เหมือน ก, กับการรับประทานยาการดื่มยาถ้าอย่างนี้ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นความอยากเราเวลารับประทานยานี้เราไม่ได้รับประทานด้วยความอยากเรารับประทานด้วยความจำเป็นเพราะเราจะต้องรักษาร่างกายนี้ให้คงสภาพอยู่ต่อไปฉะนั้นการรับประทานอาหารของผู้ไม่มีความอยากอย่างพระพุทธเจ้าพระอานันตาสาวกทั้งหลายท่านก็รับประทานแบบรับประทานยาดีๆนี่เอง ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่รับประทานแต่พวกเหล่านี้ยังรับประทานตามความอยากอยู่มีถึงเวลาหรือไม่ถึงเวลาพออยากปั๊บก็จะรับประทานกันแล้วก็รับประทานมากกว่าความต้องการของร่างกายอย่างนี้เรียกว่ารับประทานตามความอยากก็จะเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความกังวลกังวายให้กับใจเพราะเวลาอยากรับประทานแล้วไม่ได้รับประทานก็ทุกข์อีก รับประทานมากเกินไปก็ทุกข์เอกเพราะทำให้ร่างกายมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอีกนี่เป็นผลที่เกิดจากการทำตามความอยากผลที่เกิดจากการใช้ร่างกายหาความสุขไม่ได้นำไปสู่การมีความสุขที่แท้จริงเป็นการนำไปสู่การมีความทุกข์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆร่างกายนี้หมดไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อ หาไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะมีกำลังของสติและปัญญามาหยุดความอยากแล้วก็มาถอดถอนร่าของความอยากคือความหลงที่เห็นผิดเป็นชอบที่เห็นว่าการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี้เป็นการหาความสุขที่แท้จริงเราต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความเห็นของเราหมายว่าการหาความสุขที่แท้จริงนี้ ต้องหาความสุขภายในใจของเราด้วยการหยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกายทุกครั้งที่อยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายเราบอกว่าเราไปหาความสุขผ่านทางใจดีกว่าไปทำใจให้สงบดีกว่าทุกครั้งอยากจะดื่มสุราอยากจะสูบบุหรี่ก็บอกว่าไปนั่งสมาธิดีกว่าทุกครั้งอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปเล่นไปเที่ยว ก็บอกไปอยู่วัดดีกว่าไปภาวนาไปทําใจให้สงบดีกว่าถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดไปอพอไม่มีความอยากแล้วเราไม่ต้องควบคุมบังคับใจต่อไปเพราะใจนี้จะตั้งอยู่ในความสงบตลอดเวลาจะไม่มีความอยากมาคอยกระตุน้นมาคอยคอยผกคอยดันให้เราต้อง เกิดอาการ ก, รกราังวลก歪เกิดอาการซึมเศร้าง่วงง่อยงอยเหงาอาการต่างๆที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจของเรานี้ขอให้ทราบไว้เถิดว่ามันเป็นผลที่เกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นวิธีที่จะแก้อาการไม่สบายใจต่างๆนี้ก็คือทําใจให้สงบด้วยสติหรือถ้ามีปัญญาก็ใช้ปัญญายิ่งดีใหญ่เพราะถ้าใช้ปัญญาได้เราจะแก้ได้แบบถาวร ถ้าใช้สติก็ต้องใช้ได้เป็นพักๆไปพอกังวลกวายใจขึ้นมาก็เราลึกถึงพุทโธพุทโธไปพอเราลึกไปได้สักระยะหนึง่งความกังวลกวายก็จะหายไปพอเรากลับไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเดี๋ยวความกังวลกวายใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีกก็ต้องใช้สติระ ง, งับอีกแต่ถ้าเราเข้าไปถามว่าตอนนี้เราเกังวลกวายกับเรื่องอะไรเราอยากได้อะไร เราอยากได้ทรัพย์อยากได้ยศอยากได้อะไรเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอย่าไปอยากมันพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความกวลกวายความไม่สบายใจก็จะหายไปแล้วมันจะหายไปอย่างถาวรเพราะเราจะไม่อยากอีกต่อไปเราจะเห็นโทษของความอยาก ว่ามันเป็นตัวที่ทั้งสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับเรานี้เองไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีใครในโลกนี้ที่ทำให้เราไม่สบายใจตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจที่แท้จริงก็คือความอยากของพวกเรานี้เองและความอยากนี้มันก็เกิดจากความหลงที่เราไปหลงคิดว่าเราจะมีความสุขจากการหาความความความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขด้วย ด้วยลาบยศสรรเสริญด้วยรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้เป็นปัญญาถ้าเราเห็นชัดเจนแล้วต่อไปเราจะยุติการหาความสุขทุกรูปแบบผ่านทางร่างกายเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายไปตลอดท่านเรียกว่านี่เป็นปรมปลมมสุขปรมังสุขขังปรมังสุ ญ, ญังก็ว่างจากความอยากทั้งปวงนั่นเองใจย่าง ใจว่าว่างจากความอยากทั้งปวงใจก็เลยมีบำลมมัสุขขึ้นมานี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายและจะเป็นใจของพวกเราต่อไปถ้าพวกเราน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติยุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายเรามาสร้างความสุขผ่านทางใจด้วยการควบคุมความคิดปรุงแต่งด้วยการนาลึกถึงพระพุทธเจ้า พุโทโธพุโทโธไปอยู่เรื่อยๆเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งและความอยากที่ใช้ความคิดปรุงแต่งเป็นเครื่องมือแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ปัญญาคอยมาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาคอยเตื่นใจสอนใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่หาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วการวตันหาภวะตันหาวิภวะตันหานี้เราจะไม่เอาแล้วเราจะเอาแต่ความสงบเพียงอย่างเดียว เราทําได้แล้วเราใจของเราก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนของพระอาหารหันตสาวกใจทุกดวงเป็นเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่ว่ามีความอยากหรือไม่มีความอยากถ้าหมดความอยากก็เป็นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังเป็นใจของปุถุชนที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเราชาตินี้ถือว่า เป็นชาติที่ประเสริฐเป็นโชคดีเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราที่ได้มาพบกับคําสอนของพระพุจเจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้พบคําสอนเราจะไม่รู้ความจริงอั น, นี้เราก็จะมุ่งไปที่การหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วก็ต้องไปแบกความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายและ การพัดภาคจากของที่เรารักบุคคลที่เรารักไปถ้าเรายุติการหาความสุขทางร่างกายแล้วเข้าหาความสุขทางใจเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คืออนิสง์ของการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนำออกไปปฏิบัติทุกคนจะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยาทถาวาริวะ า, าปุราาริกวเรนติสากลัง เอวเมวะอโตทินังเปตาหนังอุปการปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพโปเรนตุสังกปาจันโทปนะ阿拉โสยทามณิโจติอ拉โสยทาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตะวันตรายโยสุขีทีคายุโกผวะอภิวาธนสิฤษานิจจังุทธาปจายิโนจัตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังพาละ ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอให้ถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตยุติการตอบปัญหามีใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้ คำถามจากเฟซบุ๊กค่ะคำถามแรกจากคุณเดวิดมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อต่อสู้และอยู่ร่วมกับสังคมให้ได้ก็เพราะพ่อแม่ไม่ใช่หรือเราถึงได้ลืมตาดูโลกและรู้จักกับทุกข์และสุขสิ่งที่ไม่เที่ยงก็คือสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาแต่สิ่งที่มั่นคงนิรัน์ก็คือจิตวิญญาณ เช่นเดียวกับพระพุทธองค์ซึ่งได้นิพพานก็ไม่ได้ฟื้นคืนพระชนขึ้นมาใหม่สิ่งที่ไม่ตายไม่สูญดับไม่ใช่หรือเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้รบกวนพระอาจารย์ตอบสิ่งที่ยั่งยืนคืออะไรครับก็วันนี้เทศตรงประเด็นที่ถามพอดีเดี๋ยวก็ถ้าถ้าฟังเทศดูก็จะเข้าใจคำถามจากคุณชนะชัยค่ะ ตอนปฏิบัติสมาธิใหม่ๆผมไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจในระดับสมาธิในแต่ละขั้นคือนั่งยังไงก็ได้ให้จิตเราสงบมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งภาวนาอยู่ในบ้านจิตสงบสบายปิติอยู่ก็มีเสียงพูดข้างๆเราเบาๆว่าปฏิบัติยังไม่ถึงไหนเลยนะ่ะยังอยู่แค่คณิกะสมาธิอยู่เลยเร่งเข้า อย่ามัวแต่เล่นหลับไหลหูได้ยินชัดเจนมากแต่รู้สึกเอใจว่าใครมาพูดบอกเราก็นั่งอยู่คนเดียวในห้องลืมตาดูไม่มีใครจึงจำคำว่าคณิกะสมาธิคืออะไรขั้นไหนไปถามท่านผู้รู้ก็ตอบว่าเป็นสมาธิขั้นแรกแต่แต่เสียงที่มาบอกเรานั้นคือใครผมสงสัยเห็นท่านในรูปแบบเสียงตลอด จะมาพูดบอกอุบายในการนั่งแล้วก็ไปอยากรู้ว่าท่านเป็นใครคําถามนี้เป็นคําถามที่ไม่ควรที่จะถามไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นใครสิ่งที่ควรจะสนใจคือสิ่งที่เขาพูดว่ามีคุณมีประโยชน์หรือไม่มีคุณไม่มีประโยชน์แล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาพิจารณาดู ถ้าเราสามารถเอามาสอนใจทําให้เราฉลาดขึ้นก็ก็ดีถ้าเราไม่สามารถนำเอามาสอนใจให้เราฉลาดขึ้นเราก็อย่าไปสนใจก็ปล่อยให้ผ่านไปส่วนจะมาจากแหล่งไหนนั้นมันไม่เป็นประเด็นสําคัญแล้วก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆรู้ว่ามาจากไหนก็ไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นคําถามจากคุณบัว นั่งสมาธิแล้วรู้สึกสบายมีความสุขลึกๆเหมือนไม่มีตัวตนได้สักพักใหญ่น้ำตาก็หลั่งไหลออกมาร้องไห้จนอิ่มหูอิ่มตาได้ยินเสียงไม่มีกำลังครู่ใหญ่ถึงขยับตัวได้แปลกคะ่ะอาการนี้เกิดจากอะไรคะการนั่งสมาธินี้ก็จะมีผล เ, เ, ปเป็นเหมือนขั้นๆไป ช่วงระยะนั่งแรกๆนี้ท่านก็จะมีปิติมีสุขเวลามีปิติก็ขนลุกซาน้ำตาไหลหรือไม่รู้สึกว่ามีแสงสว่างจ้าโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นขั้นของสมาธิขั้นต้นๆยังไม่ถึงขั้นที่เราต้องการเข้าไปคือขั้นที่จิตรวมเป็นหนึ่งหรือแต่สักแต่ว่ารู้ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดไม่ว่าจะเป็นปิติเป็นสุขหรืออะไรเหลือแต่ความว่างเหลือแต่อุเบกขาเหลือสัก์แต่ว่ารู้นั่นคือจุดหมายปลายทางของการนั่งสมาธิแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นก็มีการผ่านจุดต่างๆที่ท่าน อ, อธิบายในฌานขั้นต่างๆ วิตกวิจารปิติสุขแล้วก็วิตกวิจารหายไปปิติหายไปสุขหายไ ป, ยไปแล้วก็จะเหลือแต่อุเบกขานั่นคือเป้าหมายของการภาวนาแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นบางทีมันก็ไปแบบรวดเดียวถึงบางทีมันก็ผ่านขั้นต่างๆไปมันการรวมของจิตนี้มันเป็นได้หลายลักษณะ บางท่านนีรวมแบบตกหลุมตกบอ่อเดินไปแล้วตกลุมตกบอ่อ ว, วบลงไปแล้วก็นิ่งสงบสักแต่ว่ารู้อันนี้ก็เป็นไปได้ยิ่นการปฏิบัติแต่ละครแต่ละครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนกันเราไม่ต้องไปสนใจว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนเราอยู่ขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองเพราะถ้าเราไปวิพากษ์วิจารณ์เราจะไม่สามารถ ก้าวไปสู่ขั้นต่อไปได้การที่จะพาให้เราก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็คือเราต้องถ้าเราใช้คำบริกรรมเราก็ต้องบริกรรมไปต่อไม่ต้องสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้หรือถ้าเราดูลมหายใจเขาออ้าก็ให้เข้าดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏมาให้รับรู้ เพราะถ้าเราไปสนใจเราไปคิดไปวิพากษ์วิจารณ์ก็เท่ากับการหยุดภาวนาของเราเมื่อเราหยุดภาวนาการคื บ, คบไปข้างหน้าของจิตก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเหมือนกับเราเดินทางกลับบ้านเราขับรถกลับบ้านระหว่างทางเราอาจจะผ่านสถานที่ต่างๆที่อาจจะมะีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ ลึงดูดใจของเราถ้าเราแวะจอดรถแล้วลงไปดูกิจกรรมเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นเราจะกลับไปไม่ถึงบ้านถ้าเราอยากจะกลับถึงบ้านเราก็ขับรถต่อไปไม่ต้องลงจากรถให้เพียงแต่รู้ว่าตอนนี้เรากําลังผ่านสถานที่นี้มีเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้ไปแต่สติของเราต้องจดจ่ออยู่กับการขับรถเพียงอย่างเดียว การนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบก็เหมือนกันเหมือนกับการขับรถพาใจให้กลับเข้าสู่บ้านของตนบ้านของตนก็คือการรวมเป็นหนึ่งที่เรียกว่าเอขะกขตารม์มีต่สักแต่ว่ารู้อยู่เพียงอย่างเดียวดอกนั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากความว่างและอุเบกขาที่เป็นผลของการรวมของจิตอันนั้น นี่หละเราเรียกว่าอปปนาสมาสมาธิหรือคณิกะสมาธิคณิกะกับอปปนาสมาธินี่เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ต่างกันอยู่ที่เวลาที่ตั้งอยู่ในสมาธินั้นถ้าเข้าไปปุ๊บแล้วก็ได้งออกมานี่เราเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะก็คามาจากคาว่าขณะหนึ่งขณะจิตรวมหนึ่งขณะแล้วก็ถอนออกมา ก็เรียกว่าคานิกะสมาธิถ้ารวมแล้วตั้งอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วก็มีสมาธิอีกแบบที่จะเกิดขึ้นในในในอัปปนาสมาธิได้ก็คือหลังจากที่จิตรวมแล้วจิตออกไปรับรู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์เช่นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ กายทิพหรือมีอภินยามีความรู้ความสามารถพิเศษเช่นดลึกชาติได้หรือมีอิทธิฤทธิต์ต่างๆเหาะเหินเดินอากาศดำดินได้แปลงกายขยายกายจากหนึ่งให้เป็นสองเป็นสามได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องของอุปจาระสมาธิ อุปจารสมาธินี้ต้องเข้าไปอัปปนาก่อนเมื่อถึงเข้าอัปปนาแล้วก็ไม่ตั้งอยู่ในอัปปนาแต่ไม่ได้ออกมาเหมือนคณิกะคานิกะนี่เด้งกลับออกมาสู่รูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกเิ้นกายแต่อุปจาระนี้จะออกไปสู่โลกทิพย์ไปรับรู้กายทิพย์เช่นติดต่อกับเทวดาก็ต้องใช้อุปจารสมาธิ อย่างเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาทั้งหลายท่านก็อยู่ในอุปจารสมาธิถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ไม่รับแขกเหมือนกับปิดประตูบ้านไม่รับแขกแต่ถ้ารับแขกก็คือเปิดเปิดประตูทิ้งไว้ถ้าแขกอยากจะเข้ามาหาก็เข้ามาพบปะสนทนาคุยกันได้นี่คือสมาธิสามรูปแบบด้วยกัน กันนี้กะสมาธิสงบอยู่รวมรวมได้เดี๋ยวเดียวแล้วก็ถอนออกมาอปปนาสมาธินี้รวมได้นานตั้งอยู่ได้นานอุปจารสมาธินี้พอได้รวมแล้วก็ไม่อยู่ในอยู่ในอปปนาถอยออกมาหน่อยออกมารับรู้เหตุการณ์ต่างๆภายในใจภายในโลกที่คําถามจากคุณนุจรินทร์วีโรชนากร เนื่องจากเทศกาลปีใหม่มีการทำนายโชคชะตาต่างๆและการทำพิธีส ะ, ะเดาะเคราะห์แก้ปีชงโดยมีผู้ไปทำพิธีต่างๆตามที่โหราจารย์ทำนายกันเป็นจำนวนมากขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าทางพุทธศาสนามีวิธีส ะ, ะเดาะเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างคะ การสะเดาะเคราะห์ทางอุตสาหะก็คืออย่าไปสร้างเคราะห์กรรมอย่าไปทำบาปทำกรรมเมื่อไม่ทำบาปทำกรรมก็ไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ไม่ต้องไปสะเดาะกรรมดีชั่วเคราะห์กรรมหรือความสุขความเจริญนี้อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะไม่มีเคราะห์กรรมถ้าเราทำบาปเราก็ต้องมีเคราะห์กรรม เมื่อทำแล้วเราก็ไปสะเดาะไม่ได้มีกรรมอันใดก็ต้องรับใช้ถึงแม้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ถ้ายังไม่ได้ตายจากโลกนี้ไปก็ยังต้องรับผลของบาปกรรมที่ได้ทำไว้เพียงแต่ว่าใจของท่านไม่หวั่นไหวใจของท่านไม่สะทกสะท้านกับข้อกรรมต่างๆเพราะใจท่านแยกออกจากร่างกายได้ท่านรู้ว่าผู้ที่รับข้อกรรมคือร่างกาย แต่ใจนี้เป็นเพียงเป็นพี่เลี้ยงของร่างกายแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปยับยัง้งไปเบรกไปห้ามข้อกรรมที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้ถ้าไม่อยากจะให้ร่างกายรับข้อกรรมก็อย่า ก, กลับมาเกิดใหม่คำถามฝากถามค่ะอายตนะภายนอกที่มากระทบอายตนะภายในเราควรจะพิจารณามันหรือสักแต่ว่าไม่คิดนึก คิดปรุงอะไรรู้อยู่เฉยๆเพราะอายตนะทางหกเป็นเป็นประตูให้เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาก็อยู่ที่เราว่าเราอยู่ในขั้นไหนถ้าเรายังไปยึดไปติดไปหลงอยู่กับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นทุกข์เขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตา เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดไปอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราปล่อยวางได้แล้วเราก็ไม่ต้องพิจารณาเราก็สักแต่ว่ารู้ไปเวลาอะไรมาสัมผัส ก, รก็รับรู้ไปแต่ จ, จะไม่มีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามีปัญญาถอดถอนรากเหง้าของกิเลสตัณหาคือความหลง ที่ไปหลงคิดว่าอายตนะภายนอกนี้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเพราะมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราดังนั้นอยู่ที่ว่าเราอยู่ตรงขั้นไหนถ้าเราอยู่ตรงขั้นที่ยังยึดยังติดยังรักยังชอบอยู่เราก็ต้องพิจารณาเพื่อตัดความรักความชอบไปถ้าเราตัดได้แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไร สัมผัสรับรู้ไปตามมีตามเกิดใจจะไม่เกิดอาการอารมณ์กะวนกะวายกะสับกะสายหรืออะไรทั้งนั้นใจจะเป็นปกติสุขคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะช่วงปีใหม่นี้หลายคนจะไปกราบสักการะอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชโดยเฉพาะที่วัดบวร ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการจัดให้เข้าคิวหลายคน่วยโอกาสแฉกคิวคนที่ต่อแถวอยู่ก่อนแล้วในจำนวนคนที่แรกคิวบางคนก็ขอดีๆบางคนก็แสกหน้าตาเฉยส่วนคนที่ต่อแถวอยู่ก่อนแล้วบางคนก็ยอมบางคนก็ไม่ยอมคนที่ไม่ยอมให้เหตุผลว่าเกรงใจคนด้านหลังเหตุการณ์แบบนี้ทำให้สงสัยว่าคนที่มาแฉกคิวนี้ เขาจะได้อะไรในเมื่อความตั้งใจที่จะกราบสักการะอัถิสมเด็จพระสังฆราชเป็นกุศลก็จริงแต่การไปแย่คิวคนอื่นก็เหมือนการเบียดเบียนก็เท่ากับเป็นการกระทําที่เป็นอกุศลใช่ไหมคะแล้วคนที่ทําแบบนี้จะได้บุญจริงหรือเปล่าคะคือการกระทํานี้เหมือนก็ทําได้หลายรูปแบบทําแบบมนุษย์ก็ได้ ทำบาปเดลฉานก็ได้ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะมีเหตุมีผลแต่เป็นเดลฉานมันก็จะไปตามความอยากของมันฉะนั้นผู้ใดทำอะไรที่มนุษย์เขาไม่ทํากันเราก็เรียกว่าเป็นพวกเดลฉานอย่างสุนัขนี่เราจะจับมันมาเข้าแถวได้ไหมบอกให้มึงเข้าแถวอย่าแย่งกันมันไม่ได้นอกจากเรามัดมันไว้แล้วก็ ปล่อยมันทีละตัวแต่ถ้าไม่มัดมันปล่อยให้มันทําตามอธัธยาศัยมันก็มันก็จะสาวได้สาวเอาใครมือยาวกว่าก็เอาก่อนใครมือสั้นกว่าก็ต้องรอเอาทีหลังเมื่อเช้านี้ก็เหมือนกันมีคนมาถวายอาหารที่วัดเยอะยะคนเขานั่งเข้าแถวรอกันเป็นสิบยี่สิบคนคนนี้มาจากที่ไหนโผลมาข้างหน้าแถวเลยแล้วก็ถวายเลย แล้วก็บอกว่านั่นก็มีแถวกันนะก็ไม่ยอมฟังมันก็เหมือนกับพูดกับสุนัขอ่ะพูดกับสุนัขแล้วสุสสนัขมันฟังไหมมันก็ไม่ฟังมันก็จะทำตามความอยากของมันก็แสดงว่าบุคคลนั้นยังไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์เต็มร้อยนั่นเองเวลาดูกแก่อำนาจของโมหะหรือโลภะเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมา ความมนุษย์ความความเป็นมนุษย์ก็ถูกสลัดทิ้งไปเอาความเป็นเดรัจฉานเข้ามาแทนที่ทันทีทำอย่างนี้แล้วก็จะได้ความเป็นเดรัจฉานไปไม่ได้เป็นมนุษย์ไปหวนคำถามแล้วนะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะพูดตามหลักความจริง เ, เปรียบเทียบให้ฟัง เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์นี่เราต้องรู้จักกาลเทศะมนุษย์นี่มีสติปัญญาที่จะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรถูกหรือไม่ถูกแต่ดราชานี่เขาไม่มีสติปัญญาความสามารถที่จะแยกแยะที่จะรู้จักกาลเทศะ ว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรตอนนี้ควรจะเข้าคิวหรือควรจะแซงคิวผู้ที่แซงคิวนี้แสดงว่าขาดปัญญาสติปัญญาระดับของมนุษย์ที่จะรู้ว่าตอนนี้จะต้องเข้าคิวกันเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสงบถ้าปล่อยให้ไม่เข้าคิวกันแย่งกันก็จะเหมือนกับโยนกระดูกให้เกาะให้หมู่สุนัข พอโยนเข้าไปเนี่ยมันจะแย่งกัดกันกินกันทันทีดังใดถ้ามนุษย์ทําตัวอย่างแบบนั้นก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานดีๆนี่เองเพราะการวัดความเป็นมนุษย์หรือของเดรัจฉานนี้ไม่ได้วัดที่ร่างกายทุกคนมีร่างกายแต่เราวัดกันที่ใจดังที่มีคําพูดของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าน่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานก็มี ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตก็มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาก็มีเป็นพระอริยบุคคลก็มีก็ร่างกายของมนุษย์เหมือนกันแต่ระดับจิตใจนี้ต่างกันจิตใจต่างกันเพราะระดับของสติปัญญาของแต่ละบุคคลถ้ามีสติปัญญามากก็จะมีจิตใจที่สูงสง่ง ถ้ามีจิตถ้ามีสติปัญญาน้อยก็จะเป็นจิตใจที่ต่ำทรามอันนี้คือเรื่องของของความจริงของจิตใจอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลามีกรืออาเชิญขอนุโมท น, นาครับผมมีข้อข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่งและติดอยู่ในใจผม คือสมุติสัจจะกับสัจจะให้ความนึกคิดมีนัยยะที่แตกต่างกันยังไงครับแล้วผลของสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรครับและทําไมสัตบโลกถึงติดโยนในสมุสแห่งความนึกคิดครับสัจจะสมุติสัจจะกับสัจจะให้ความคิดสมมุติสัจจะกับสัจจะให้ความคิดสัจจะแห่งความคิดใช่ครับมีความนัยยะแตกต่างกันยังไงคก็คนที่ว่ายเราฟังก่อนเสียว่ามันแปลว่าอะไรไม่ถึงว่า สมมติบัญญัติเนี้สมมติสัจจะคือบัญญัติที่มันมีอยู่ในธรรมชาติแต่สัจใจความคิดคือมนุษย์คิดขึ้นมาเองแล้วกล้าขึ้นมาเองแล้วครับตามงกฎเกณฑ์เองและสัตว์โลกมันก็วนเวียนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็สมมติสัจจะก็คือชื่อต่างๆหรือฐานะต่างๆที่เราสมมติให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้เช่นเราเรียกคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชาย คนนี้เป็นในร้อยคนนี้เป็นในพันอันนี้เป็นสมมุติคือเป็นความจริงชั่วคราวแล้วก็มีความจริงตามธรรมชาติที่ไม่ต้องมีใครมาให้สมมุติก็คือร่างกายของคนเราทุกคนนี้มีอาการ32เหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันรมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกัน เกิแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราเรียกว่าปรมัตทสัจจะคือความจริงที่ไม่ต้องมีการมากําหนดมาตั้งกันแต่ความจริงที่ผมนุษย์พวกเราตั้งกันนี้เป็นความจริงที่เกิดจากความคิดของมนุษย์เรากันเองเราคิดว่าคนนี้ต้องเป็นในร้อยคนนี้ต้องเป็นในพันคนนี้ต้องเป็นในพล เพราะเขามีความรู้ความสามารถในการทำงานของต่างกันนะก็เลยแยกกันโดยให้ชื่อของความรู้ความสามารถของแต่ละคนต่างกันไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นความจริงที่อ้างอิงกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลนะหรืออ้างอิงจากการที่ได้มาเกิดเป็นลูกของไข่ในชะ่ ถ้าเป็นลูกของหม่อมเจ้าก็เป็นหม่อมราชวงศ์ถ้าเป็นลูกของหม่อมราชวงศ์ก็เป็นหม่อมหลวงอันนี้ก็เป็นความจริงที่เกิดจากการอ้างอิงจากบุคคลอีกบุคคลหนึ่งอันนี้เป็นความจริงที่เปลี่ยนได้คือก็มีการหมดได้มีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ามันไม่เที่ยง แต่ความจริงที่มันไม่เปลี่ยนแปลงก็คือร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เหมือนกันหมดมีอาการ32เหมือนกันทำมาจากดินน้าลมไฟเหมือนกันแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันก็มีสองแบบเราต้องรู้จักความจริงทั้งสองแบบเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงถ้าเราไม่รู้จักความจริงแบบเดียวเราจะหลงได้และเรา ก็อาจจะทำในสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เช่นเราไปหลงคิดว่าร่างกายของพ่อแม่เหล่านี้เป็นพ่อแม่เราจริงๆความจริงร่างกายของพ่อแม่นี้ก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเหมือนกันแล้วที่มีใจของพ่อแม่เรามาครอบครองแล้วก็จะต้องแก่เจ็บตายไปแต่ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เหล่านี้ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อของแม่อันนี้คือความจริงที่เราจะต้องศึกษากันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่ร่างกายของพ่อของแม่เราตายไปพราะเราจะรู้ว่าตัวพ่อตัวแม่ของเราไม่ได้ตายอย่างที่ได้เทศให้ฟังในวันนี้ว่าร่างกายนี้เป็นตัวปลอมจิตใจเป็นตัวจริง จิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อแม่ของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อแม่ใจของพ่อแม่เราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปถ้ายังไม่ยุติความอยากต่างๆถ้ายุติความอยากได้ก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่อย่างนี้พอจะถูกประเด็นที่ถามไหมถามว่าจะเป็นบรรทัศนฐาน สัจใจความคิดเป็นบรรทัดฐานแห่งมีอัตตาหรือเปล่าครับอัตตาก็เป็นความคิดที่ออกมาจากความหลงนั่นเองเพราะไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราว่าเป็นอะไรเราก็ไปตั้งอธิาอาราอะไรไปตั้งสมมติว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็ไปตั้งบนบรตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราคือไปตั้งที่ร่างกาย ไปตั้งที่ร่างกายที่มันเป็นของชั่วข่าวพอเราไปตั้งตัวเราไปอยู่ที่ร่างกายพอ ร, ร่างกายตายไปเราก็คิดว่าเราตายไปกับร่างกายก็สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราโดยไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดถ้าเราพ้นพบความจริงว่าตัวเราที่แท้จริงนั้นคือใจอยู่ที่ใจคือตัวรู้เราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่า ตัวรู้นี้ไม่มีวันตายแต่เราไม่ยอมอยู่กับตัวรู้เราจะชอบไปอยู่กับตัวร่างกายชอบทำอะไรผ่านทางร่างกายกันแต่ถ้าเราอยู่กับตัวรู้เราก็ไม่ต้องทำอะไรให้สักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเองเวลาเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ ถ้าเราไม่อยู่กับตัวรู้ไปอยู่กับตัวร่างกายเราก็จะมีความทุกข์ตามมาเพราะตัวร่างกายในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมมันต้องหมดไปพอเข้าใจไหมค่ะนมัสการค่ะตัวดิฉันเองได้เคยไปนั่งสมาธินะเจ้าค่ะแต่ว่าครั้งหนึ่งได้นั่งสมาธิแล้วก็มีเสียงแวว เป็นเสียงของเครื่องสวดมนต์เจ้าค่ะสวดมนต์มาไกลๆแต่ก็จับได้บ้างไม่ได้บ้างวันหนึ่งได้มีโอกาสไปจาริกุลที่อินเดียพอไปถึงสถานที่แห่งที่พักก็จะได้ยินเสียงสวดมนต์อีกเช่นกันซึ่งการสวดมนต์นี้เป็นสวดมนต์ที่เราทราบบ้างไม่ทราบบ้างเคยสวดได้บ้างไม่ได้บ้างบางครั้งก็สวดตามได้บางครั้งก็สวดตามไม่ได้แต่จะได้ยินอยู่บ่อยๆเจ้าค่ะอันนี้เกิดจากอะไรนะเจ้าค่ะ ก็เกิดจากความรู้เดิมที่เราเคยได้สะสมเอาไว้ในแต่ละชาตินี้เราอาจจะได้ไปอยู่ในสังคมที่มีการสวดมนต์แล้วเราสวดมันก็ฝังอยู่ในใจเราพอเวลาใจเราสงบ เ, เสียงสวดมนต์เหล่านี้มันก็โผล่ขึ้นมาให้เราได้ยินได้ฟังได้ประเด็นไม่สาคัญว่ามันเป็นอะไรประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่าเราอย่าไปยึดอย่าไปติด ให้สักแต่ว่ารู้เพราะว่าถ้าเราไปยึดไปติดมันก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาได้เช่นอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรมันก็ทำให้เราเกิดความสงสัยขึ้นมาเกิดความอยากรู้ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็เท่านั้นก็จบเราใจเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับมันเท่านั้นเอง พระอุตจ้าบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงข้างในหรือเสียงข้างนอกเสียงในอดีตหรือเสียงในอนาคตหรือเสียงปัจจุบันท่านบอกให้พิจารณาว่าเป็นตายรักทั้งหมดเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดไม่ใช่ของเราให้รับรู้เฉยๆรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็พอไม่ยนันมันจะมาสร้างความกังวลกยความ อไม่สงบให้กับใจโดยใช่เหตุการปฏิบัติของเรานี้เป้าหมายอยู่ที่การทำใจให้สงบอย่างอะไรที่จะมาทำใจให้เราไม่สงบนี้เราต้องตัดทิ้งไปเลยอย่าไปสนใจพิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปให้หมดแล้วมันจะจะปล่อยเพราะปล่อยแล้วมันก็จะสงบหมดแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะถามอีกไหม